ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะไปถึงเทวดามารพรมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยมราชมนุษย์มิตรอย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยทั้งยมราชทั้งมนุษย์ทั้งผู้ที่เป็นมิตรผู้ที่เป็นกลางๆงคือผู้ที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้ชังอะไรคือเฉยๆรวมทั้งผู้ที่มุ่งร้ายต่อเราผู้ต้องแผาน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 เวลาทิศฐานอธิฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งจิตก็จะปรารถนาหรือตั้งความหวังว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำบุญแล้วก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความสำเร็จในการงานอยากจะมีครอบครัวดีมีแฟนดีมีคู่ครองดีอันนี้คือความมุ่งหวังคนเรา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 มาครอบงำใจนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง1ิบป้องนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง1ิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินน่เจนได้ว่าไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องปรารถนาความสุขที่ผู้คนเขาสแสวงหากันคือความสุขที่เป็นวัตถุเงินทองทรัพย์สิน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 รือเราควรจะมีจุดมุ่งหมายชี้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบได้ได้วยตัวเองเกิดมาทําไมเราไม่รู้แต่เราตอบได้ว่าอยู่ไปทําไมนะอยู่ไปทําไมคือการอยู่แบบมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าได้ได้ได้ชี้แนะให้กับพวกเราเนี่ยนะก็มีอยู่หลายขั้นขั้นแรกเลยนะก็เป็นเป็นจุดหมายเบื้องต้น ก็คือการมีสุขภาพดีมีงานดีมีเงินดีด้วยก็ได้เพราะงานดีงเงินดีก็มักจะมาด้วยกันมีสุขภาพดีมีงานดีเงิน ด, นดีมีสถานภาพดีเช่นนี้หมายถึงความสาเร็จเช่นมีตำแหน่งงานการดีแล้วก็มีครอบครัวดนะีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็มุ่งหวังพรนะพุทธเจ้าก็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 มีชีวิตที่ดีแล้วนะก็ยังไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะอาจจะสุกกายแต่ว่าใจอาจจะไม่สุขก็ได้นะเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเจอคนที่เขาก็มีสุขภาพดีมีงานดีมีตาแหน่งดีครอบครัวก็ดีนะแต่เขาก็มีความทุกข์ น, ะนันจะต้องมี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 เอาเงินทองเป็นจุดหมายของชีวิตล้วคิดว่าถ้ามีเงินทองมีความร่ำรวยแล้วชีวิตจะนะราบรื่นมันะไม่ใช่เพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนที่สาทนในเงินทองนี่จิตใจเขาจะร้อนรุ่มนะเขาจะดีใจที่ได้เงินได้ทองมาแต่เขาก็จะเสียใจเมื่อเขารู้ว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นหรือเขาเห็นคนอื่นมีเงินมากกว่าเขา อันนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ดีศรัทธาที่ดีก็เช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นตัวแทนความดีเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยก็ง่ายที่เราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีความซาบซึ้งอบอุ่นความสุขทั้งโลกยังรวมถึงการที่เรามีความภูมิใจที่ได้ทําความดี เรามีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดชีวิตจะสะอาดได้ก็คือการที่าทาความดีนะมีศีลถ้าเรามีศีลคือเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราซื่อสัตย์สุจริตก็ทำให้เราเกิดความภูมิใจนะและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำใจเราก็จะรู้สึกมีความอิ่มใจ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 ความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคนเราที่รู้สึกช่วยไร้คุณค่าแล้วเนี่ยเงินทองมากมายก็ไม่ได้ช่ว ย, ยแล้วคุณค่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความอิ่มใจภูมิใจคือการที่เราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือเกอเกอเก่อคนผู้อื่นอันนี้ทางพุทธวาจารค่ะนะจารค่ะหรือว่าบริจาคนั่นแหละเพราะบริจาค ก, ก็มาจากคำว่าจารค่ะคือความเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อบปุ่นใจแล้ว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 เป็นจุดหมายสุดท้ายจุดหมายสูงสุดนะจุดหมายสูงสุดนเรียกว่าปรมตถะประมธธาถะหรือที่เราได้ยินเขาว่าปรมา ธ, ธรรมอะไรเนี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เจเนี่ยเข้าถึงภาวะที่อิสระโปร่งเบาไม่ไม่ว่ามีอะไรผันผวนแปรปรวนไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวตามเช่นเจ็บป่วยอย่างไร หรือว่าแก่ชราแก่ตัวไม่มีกำลังวังชาหรือว่าเงินทองไร่หรอไม่ประสบความสำเร็จถูกคถูกเข้าวิพากวิจาร์ต่อว่าดาทอซึ่งเป็นธรรมดาโลกแต่ว่าใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้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 อันนี้เรียกว่าฝนตกอย่างไรฟ้าร้องอย่างไรก็ไม่กร ะ, กระพรอมไม่ทำให้ใจกระเทือนอันนี้เรคือจุดหมายสูงสุดนะของของของชีวิตนะสารชาพุดแล้วเนี่ยนั่นนี่แหละนะคือจุดหมายที่เราต้องไปให้ถึงและเป็นเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงจะได้จากชีวิตนี้นะาการที่พวกเรามามาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยนะ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 หรือว่ามุ่งไปถึงขั้นว่าให้ได้เข้าถึงนิพพานเลยนะคนไทยสมัยก่อนเวลาทําบุญเนี่ยเขาเขาไม่มาขอให้ร่ํารวยนะเขาขอถ้าจะขอก็มุ่งนิพพานเลยนะนิพพานปะปจยโยโหตุนี่ก็เป็นคําที่คนไทยสมัยก่อนคุนะ้นอธิษฐานเวลาใส่บาตก็อธิษฐานแค่สั้นๆ น, นะนิพพานปะปจยโยโหตุคือมุ่งไปถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะได้จากชีวิตนี้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 อุปบสิขหรือว่าวังพบใหม่แล้วหวังอะไรก็หวังกาจัดกิเลสและการไม่ก่อพบไม่ก่อพดบบหมาเขาไก็คือนิพพานพอท่านิพพานแล้วก็เรียกว่ามันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปหลุดพ้นจากวตาสงสารเพียงเท่านั้นอันนี้เป็นวิสัยคองมบันดิตนะคือเมื่อให้ทานก็หวัง ยังมีความหวังอยู่แต่เป็นการหวังที่มุ่งกําจัดกิเลสและการไม่เกิดหรือการไม่ก่อพบใหม่นะก็ตรงกับที่เราสวดสาธยายตอนกรวดน้ำตอนเย็นนะก็คือว่าให้สุขสามอย่างล้นให้บรรลุถึงนิพพานพรันนะแล้วก็ในตอนต่อในตอนต่อท้ายตอนต่อมาก็จะอธิบายว่าเนี่ย บารู้ถึงนิพพานพรานได้ไงก็เพราะตัดตัณหาอุปทานสิ่งช่วยในดวงใจมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกพบที่เราเกิดนะขอให้มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพลิดเลินเป็นเครื่องขูดกินแหลนหายโอกาสจะพึงมีแกม่มูมานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตุสไลท์ทําลายล้างความเพียนจมและทั้งอธิบายต่อไปขอว่าเนี่ยอย่าเปิดโอกาสแก่มานสิ้นทั้งหลายด้วยเด็ดบนทักงสิบป้อง โอกาสจะพึงมีแกมูมานเทินอันนี้ให้เราตั้งจิตแบบนี้นะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐกว่าแล้วก็จิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะะพวกเราแน่นอนเราก็ต้องหวังความความสุขความเจริญในเรื่องงานการนะเราได้งานการเราก็ดีใจนะเป็นข้าราชการเราก็จะ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 แล้วก็ได้มีโอกาสรักษาความประพฤติให้มีความสุดจริตนะกายวาจาทิศาก็ทําให้จิตใจสะอาดไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันนะโดยมีความสุขจากวัตถุในเป็นเครื่องเป็นฐานไม่มีก็ไม่ได้นะไม่มีก็ไม่ไดนะ้เพราะว่าถ้าเราไม่มีไม่มีทรัพย์สมบัติเราอยู่ในภาวะที่ยากจน เป็นนี่เป็นสินอันนี้ก็คงจะมีความสุขใจได้ยากพระพุทธเจเองก็ตัดเลยว่าการเป็นนี่นะเป็นทุกข์ในโลกนะความเจ็บปวดก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันนั้นเราก็ต้องมอีปัจจัยพื้นฐานในการที่จะทําให้ชิงเราเนี่ยมีอย่างน้อยก็มีความความความสุขทางกายเป็นเบื้องต้นแต่ว่าอย่าพอใจเพียงเท่านี้นะต้องกล้าไปสู่ความสุขทางใจ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 สิ่งที่มาสนองกิเลสตัณหาตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราจะเลยงอกงามได้ช้าทำบุญถ้าทำให้เป็นกิเลสเพิ่มเพิ่มพูนนะทำความดีหรือไม่รั ก, รกษาศีล น, นะก็อาเกิดความหลงขึ้นมานะเช่นเกิดความรู้สึกหลงตนว่าฉันดีฉันประเสริฐอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะพระเจ้า ในบางที่พระองค์ตัดเลยว่าคนที่ทําความดีแต่ว่าหลงตัวยกตนข่มท่านดูถูกผู้อื่นนี่ถ้าเรียกเป็นอสัตบสตบุรุษอสัตตบุรุษคือคนที่ไม่ใช่อสัตตบุรุษก็คือคนไม่ดีนะท่านบอกว่าเนี่ยแม้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอ่าคนที่ทรงจํา มีความรู้ในทางธรรมคือพระหูสูตรหรือว่าเป็นคนที่ทรงจาวินัยได้แม่นยำนะหรือว่าเป็นนักเทศคือธรรมกระถึกหรือว่าเป็นคนที่ศีลเคร่งครัดนะฉันข้าวกินข้าวมือเดียวอยู่ป่าเป็นวัดบินทบาีเป็นวัดผมผ้าด้วยผ้าหอ่อศพดูเก่าคล่ำคร่าซึ่งดูเคร่งแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ย ปฏิบัติแล้วเกิดยกตนขมท่านเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าประเสริฐกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอสตระบุรุษนะปฏิบัติผิดทางแล้วทั้งนั้นที่ดูภายนอกก็เออดีนะบิณฑบาตเป็นประจำหรือว่าฉันข้าวมื้อเดียวหรือว่านอนป่าไม่นอนกุฏนะิเรียกว่าบาเพ็ญ ท, ทุดงควัตนะชาวบ้านก็เห็นเห็น้าที่ถือศีลถือวัดแบบนี้แล้วก็นับถือศรัทธา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 แล้วก็จะเป็นฐานไปสู่การที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็คือปรมัิถะหรือนิพพานนะซึ่งเป็นความอิสระเป็นความสงบเย็นอย่างยิ่งคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อาครับ